ของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังขราชสกุลมหาสังฆปริณายก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 ในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงนุ่งและถือบาดจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีทรงดำริว่าเวลาอย่างเช้านักทรงรู้จักปริพาชกที่เรียกชื่อว่าวชิโคตระอาศัยอยู่ในอารามเอกปุณาธริกนั้นจึงได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมวัชิโคตระปริพาชกได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ต้อนรับเป็นอันดีเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้ว ก็ทูลถามว่าตนได้ยินเขาพูดกันว่าพระสมณะโคดมหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นคําที่พวกปริพาชคเรียบพระองค์ทรงเป็นสัพพันญูผู้รู้ทั้งหมดทรงเป็นผู้เห็นทั้งหมดทรงปฏิยานทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ไม่มีตกเหลือว่าเมื่อพระองค์ทรงดาเนินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดี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 จึงจะเป็นการกล่าวที่ถูกต้องไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงต่อจากนั้นก็จะทรงอธิบายวิชาสามว่าได้แก่ 1. ปุเพนิวาสานุสติยานรู้ละลึกนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้ 2. อจตุปปาตะยานรู้จุติคือความเคลื่อนและอุปบัตคือความเข้าถึงส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 จะเป็นผู้กระทำที่สุดของทุกได้มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าขฤรืหัดที่ไม่ละเครื่องผูกของขเรือหัจะทำที่สุดของทุกได้ไม่มีวัชชาโคตระปริพาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าขเรหัดที่ไม่ละเครื่องผูกของขฤรือหักายแตกทำลายตายไปแล้วเข้าถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยแต่ว่ามีมากกว่านั้นวัชชาโคตรละได้กราบทูลถามต่อไปว่าส่วนอาชีวะกะคือนักบวชที่มีลทัทธิต่างๆบัวกพวกกายแตกทําลายตายไปแล้วนั้นทามที่สุดของทุกได้มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่มีปริพาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่าอาชีวะกะบางคนที่กายแตกทําลายไป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 แม้การเข้าถึงสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าก็เป็นของว่างเช่นนั้นใจความในคำสนทนานี้มีข้อที่พึงยกขึ้นกล่าวหลายประการข้อแรกก็คือพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปในอารามของบุคคลต่างาศาสนาต่างลทัทธิและได้สนทนาธรรมในลัทธิของการและกันเป็นอันแสดงว่าไม่ได้ทรงถือบุคคลภายนอกาศาสนาว่าเป็นศัตรูแต่ได้ทรงถือว่า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 ท่นหมายถึงเบญจขันธ์คือกองทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมกันเข้าเป็นสตล ก, กายอันนี้ข้อที่เป็นหลักในเบื้องต้นก็คือรูปคือกายอันนี้เหล่านี้เรียกว่านิวาตแปลว่าที่อาศัยอยู่จึงถึงปัญหาว่าใครเป็นผู้อาศัยผู้อาศัยในบางแห่งท่านเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ค้อง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 จนบรรลุฌานอย่างสูงก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงในชั้นต้นก็ปรากฏปุเพนิวาสานุสติยา น, นี้ขึ้นก่อนได้อธิบายวิชาที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานรู้ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้มักจะเรียกอย่างสั้นๆว่ารู้ระลึกชาติได้แต่ตามศั์นั้น ไม่มีคำว่าชาติมีคำว่ารู้ระลึกนวิวาสที่อาศยัยแต่ว่าโดยความนั้นก็คือระลึกชาติเพราะคำว่าชาติแปลว่าความเกิดการเข้าสู่ที่อาศยัยนั้นเรียกว่าชาติคือความเกิดเพราะฉะนั้นก็จะเอาอาการตอนนั้นคือตอนเข้าบ้านหรือเข้าที่อาศยัยมาเป็นชื่อเรียกและในระหว่างที่ยังอยู่ในบ้านหรือยังอยู่ในที่อาศยัยนั้นก็เรียกว่า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 คือว่าเกิดแก่ตายคราวนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ตายในเมื่อสังขารอันนี้ตายเมื่อสังขารอันนี้ตายแล้วส่วนนั้นก็จุติคือว่าเคลื่อนออกไปจากสังขาร น, นี้แล้วก็ไปเข้าไปสู่สังขารใหม่อาการที่เคลื่อนออกไปนั้นก็เรียกว่าจุติอาการที่เข้าใหม่ก็เรียกว่าอุ ป, ปบัติฉะนั้นในพระยานหรือวิชาข้อนี้จึงไม่ใช้คําว่าเกิดตายหรือตายเกิด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 ได้พระยานข้อที่หนึ่งคือระลึกรู้ระลึกถึงนิวาสคือที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้มากมายในพระบาลีที่แสดงอธิบายไว้ชี้ถึงของพระองค์เองแต่เมื่อพิจารณาดูในที่อื่นก็เพิ่เห็นว่าของสัตว์ทั้งหลายด้วยและในพระยานที่สองนี้ก็ใช้คำว่าของสัตว์ทั้งหลายมีอธิบายที่เนื่องกันคือเมื่อรู้ระลึกถึงนิวาส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 ก็เข้าถึงชาติที่ไม่ดีมีความไม่บริบูรณ์มีความทุกข์ต่างๆเมื่อประกอบอุศุลกรรมไว้ก็เข้าถึงชาติที่ดีมีความบริบูรณ์มีความสุขต่างๆท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงได้วิชาทั้งสามนี้ในราตรีที่ตรัสรู้ในปฐมยามทรงได้ะยานที่หนึ่งในมนชิมยามทรงได้ะยานที่สองคือจตุปปาตยา น, นี้เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรื่องกรรมตั้งแต่ในราตีที่ตรัสรู้นั้นและได้ทรงรู้ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ถึงยานที่สามที่ทรงได้ในปัชิมยามพิจารณาดูถึงเรื่องความตรัสรู้กรรมนี้ก็จะเพิ่งเห็นได้ว่าเมื่อได้ตรัสรู้พระยานที่หนึ่งนั้นได้ทรงระลึกชาติได้เป็นอนเนกตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆได้เพราะฉะนั้น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 ตามสภาพของสังขารในชาติชาติหนึ่งและได้ทรงเห็นความทุกทางจิตใจเป็นต้นว่าความสุขความระฐมใจเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในชาตินั้นๆและก็สรุปลงว่าได้ทรงเห็นว่าตัวนิวาสคือตัวที่อาศัยอยู่อันได้แก่บ้านคือสังขารอันนี้แหละคือตัวทุกเพราะทุกทั้งปวงก็รวมลงที่บ้านคือนิวาสนี้เองเกิดก็บ้านอันนี้เกิด แก่ก็บ้านอันนี้แก่ตายก็บ้าน น, นี้ตายทุกสูกอะไรทั้งจิตใจก็เกี่ยวแก่บ้านอันนี้ไม่นอกไปจากนี้เจ้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติก็คงเป็นดังนี้คล้ายๆกับว่าเราะระลึกดูย้อนหลังในชาตินี้เมื่อวานนี้ก็กินอยู่หลับนอนทําโน่นทํา น, น, านี่ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็กินอยู่หลับนอนทําโน่นทํา น, น, านี่ย้อนไปอีกวันหนึ่งก็คล้ายๆกันแม้จะได้ประกอบกรรมที่ดี เกิดในชาติที่ดีมีความสุขก็เป็นอยู่ชั่วคราวหนึ่งหงไม่เที่ยงยั่งยืนตลอดไปแม้จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรตามนาัตติที่เชื่อถือกันว่ามีอายุยืนนานก็ต้องมีจุดิคือความเคลื่อนในที่สุดไม่มียั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ตามก็คงไม่พ้นไปจากเกิดแก่ตายและก็ต้องประกอบกรรมกันอยู่อย่างไม่เสร็จสิ้น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 จนินตสงเริ่มเห็นทุกข์ขึ้นแล้วก็เห็นว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ดับตัณหาเสร็จได้นั่นแหละจึงจะเป็นความดับทุกข์และที่จะดับตัณหาได้ก็ต้องปฏิบัติไปในทางให้ถึงความดับทุกข์คือมักมีองค์แปอันสรุปลงเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาโดยเฉพาะก็คือว่า ท้องประมวลกันเป็นตัวรู้ที่ประจักษ์แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเห็นความจริงของทุกของเหตุเกิดทุกของความดนับทุกและของทางให้ถึงความดนับทุกโดยแจ้งชัดโปรดติดตามรับฟัง4 5 0รรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป